มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานควา้ารางวัลชนะเลิศร่วมกันในงานมหา ก, การรมประกวดหุ่นฟางห้วยตึงเท่าครั้งที่หนึ่งที่ทุ่งเฟื่องลันหุ่นฟางคิงคองภายในบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่มีการเปิดตัวหุ่นฟางยักษ์เก้าตัวซึ่งเป็นผลงานนักศึกษาจากสสถาบันการศึกษาจากมหกรรมประกวดหุ่นฟาง ห่วยเท่าตึงครั้งที่หนึ่งภายใต้แนวคิดสัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพอ่อซึ่งได้จัดกิจกรรมประกวดระหว่างวันที่สองถึง9ธันวาคม2 5 6 1มีผู้เข้าแข่งขัน9ทีมจาก3มหาวิทยาลัยทำให้ได้ผลงานหุ่นฟางยักษ์เพิ่มขึ้น9้าตัวจากเดิมที่สถานที่แห่งนี้มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก โดยหุ่นฟางกว้างของทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและหุ่นฟางสิงโตจากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้คว้ารางวัลชนะเลิศครองแชมป์ร่วมกันส่วนอีก7ทีมได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลพิเศษเพื่อเป็นกำลังใจในการร่วมการสร้างสรรค์งานศิลปะจากฟางข้าวออกมาได้อย่างสวยงามการจัดประกวดมหกรรมหุ่นฟางห้วยตึงเท่าทําให้เกิดการสร้างหุ่นฟางยักษ์รูปสัตว์ต่างๆทั้งหุ่นฟางกว้าง สิงโตหมู่ป่ากวางมุสช้างนกยูงนกเงือกและกรู ป, ปีช่วยเพิ่มสีสันให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเก็บภาพความประทับใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยดาริสาตะกุลเงกรายงานกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเผยความคืบหน้าการเจราจา FTA ไทยตุรกีได้ข้อสรุป5้าเรื่องเบื้องต้นเตรียมแลกเปลี่ยนข้อเสนอเปิดตลาดต้นปี2562 นางออร์มอทรับทวีธำรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าผลการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยและตุรกีรอบที่4ที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงเพื่อร่วมทํากรอบการเจรจา5เรื่องได้แก่การค้าสินค้ากฎถิ่นกําเนิดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการคํานวณและสะสมถินกําเนิดสินค้ามาตรการสุขะอนามัยและสุขะอนามัยพืชมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและกฎ ไม้เช่ น, นกลไกการหารือสองฝ่ายเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามพันธ ก, กรณีเมื่อความตกลง FTA มีผลใช้บังคับและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าส่วนเรื่องที่ยังมีความเห็นต่างนั้นจะมีการหาทางออกร่วมกันอีกครั้งในการประชุมที่ตุรกีจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนอกนอกจากนี้ทั้ง2ประเทศยังสามารถตกลงรูปแบบการลดเลิกภาษีศุลกากร ที่จะเป็นพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอการเปิดตลาดในต้นปี2562ด้วยรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้นิวลา21ในากากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี